พันบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันบัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่และพันบัวที่ชนะการประกวดในเวทีระดับโลกอีกมากมายบนพื้นที่กว่า20ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี Activity In Museum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 พ่าช้จัยสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท<อ> <today. S 2> ูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจนันทรัสมิพแสงคลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เม z เ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการค o m ทูเด a ์เรดินะครับทาง FM 89.5 MHz เมนะครับอยู่กับผมพรชัยจันทรั ส, สุปรแสงบอกอมบิงนะครับกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการประจำวันจันทร์นะฮะประจำวันจันทร์ของเดือนสิงหาคมวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ <c oughs> แมหนึ่งแอมห้าสิงหาคม2562นะครับก็เพิ่งจะเริ่มเข้าเดือนสิงหาแต่อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็หยุดยาวๆกันอีกแล้วนะ อ่ะไม่เป็นไรถึงจะหยุดยาวแต่ยังไงยังไม่ถึงวันนั้นก็ยังต้องทำงานกันต่อไปนะครับวันนี้พี่มิงมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่นำเสนอเช่นเคยนะครับเหมาะสำหรับคนในยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์สัปดาห์ก่อนนะฮะเสียงแหบแหงนิดนึ่งสัปดาห์นี้เสียงกลับมาแต่ยังไม่ร0 0แต่ก็คิดว่าน่าจะฟังได้สดใสสดชื่นมากกว่าวีคที่แล้วนะครับวันนี้พี่มิงมาพร้อมกับเรื่องราวของ Big Data บ้างนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ เอาเรื่องของดิจิ t a l ID นะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าการยืนยันตัวตนในรูปในยุคดิจิตอลมาฝากกันในสัปดาห์ที่แล้วทั้ง2วันเลยนะชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเข้าใจเรื่องแบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเอาประสบการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างประเทศเขาเจอม า, มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่อง Big Data กันบ้างนะครับ Big Data เราก็จะนึกถึงคำว่าข้อมูลก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆปัจจุบันเนี่ยคว่า Big Data เนี่ย มันก็เป็นเทรนด์เทรนด์หนึ่งที่เรียกว่าอยู่ในกระแสที่คนสนใจกันเยอะเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าแล้วมันเป็นยังไงอ่ะบิ๊กดาต้าที่พูดถึงตรงนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมากันแบบเป็นนิทานและการนิทานขเขาเรียกขอตั้งชื่อว่านิทานเรื่องบิ๊กดาต้ากับหนังสือในห้องสมุดก็คือเอาเรื่องของบิ๊กดาต้าเนี่ยไปโยง แล้วก็เลี่ยงร้อยกับห้องสมุดนะครับพอดีไปเจอเรื่องนี้มาแล้วน่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือสมศรีเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเธอเริ่มสะสมหนังสือทีละเล่มจนเต็มชั้นวางหนังสือเธอสามารถหยิบมาเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสําหรับหนังสือเหล่านี้จะบอกว่าเธออ่านหนังสือทุกเล่มบนนั้นก็ไม่ผิดนะครับเมื่อมีใครมาถาม เนื้อหาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือเหล่านั้นเธอตอบได้แทบจะทันทีเพื่อนๆจึงชอบถามสมศรีเมื่อมีคําถามนะฮะประมาณสมศรีเป็น Google เลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็มีหนังสือมากขึ้นจากชั้นหนังสือชั้นเดียวนะครับเธอก็ได้ขยายเป็นห้องสมุดเธอไม่สามารถอ่านหนังสือได้ครบทุกเล่มอีกต่อไปแล้วครับคนที่มาถามเธอเกี่ยวกับความรู้ในหนังสือก็เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชมลมหนังสือ สมศรีจริงเริ่มจ้างพนัก ง, งานเข้ามาช่วยดูแหลหนังสือของเธอนะครับมีระบบการจัดเก็บหนังสือบนชั้นแบ่งหมวดหมู่ทำให้พอรู้คร่าวๆว่าอะไรอยู่ตรงไหนเมื่อได้รับคำถามนะครับสมศรีสามารถสั่งพนัก ง, งานให้หาหนังสือที่เกี่ยวข้องมาวางบนโต๊ะเธอแล้วเธอก็จะหาคำตอบให้ภายในชั่วโมงแม้จะใช้เวลามากกว่าเดิมนะครับในการหาคาตอบแต่สมศรีก็ตอบคาถามได้หลากหลายกว่าเดิม อันนี้ให้เห็นพัฒนาการนะครับว่าจริงๆเรื่องราวของ Big Data เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับห้องสมุดนะฮะลองดูความสามารถในการตอบคำถามของสมศรีเนี่ยได้รับความนิยมอย่างเหลือล้นจึงมีคนบริจาคหนังสือมามากมายให้สมศรีเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเธอเธอเปิดโกดังเพื่อเก็บหนังสืออีกกว่า100สาขาทั่วประเทศถึงจุดนี้นะครับนอกจากจะไม่มีทางอ่านหนังสือได้ครบทุกเล่มแล้วสมศรีก็ยังไม่รู้ว่าเธอมีหนังสืออะไรอยู่ในตรงไหนบ้าง เล่นไหนอยู่สาขาไหนก็ไม่รู้นะครับส่วนการจัดแบ่งเป็นการเคลียแบ่งหมวดหมู่ในแต่ละสาขาก็ทําได้ลําบากเพราะว่าคนขยันมาบริจาคมากจนหนังสือเหมือนกับเยอะแล้วก็อ่านไม่ทันจริงๆนะครับพอมีคนมาถามคาถามนะครับสมศรีต้องโทรหาผู้ช่วยซึ่งตอนนี้จะต้องแจ้งไปยังสาขาทั้งร้อยสาขาอีกทั้งอีกทีอีกทีให้อีกทั้งให้ช่วยหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคําถามแล้วส่งมาที่บ้านสมศรี เธออายประสบการณ์ในการค้นหาหนังสือในห้องสมุดเธอเมื่อเหมือนกับเพื่อสั่งพนัก ง, งานว่าดูอย่างไรอะไรพวกนี้นะฮะหนังสือเล่มนั้นกับสิ่งที่ต้องการพนัก ง, งานจํานวนมากในแต่ละสาขาก็จะไล่อ่านหนังสือทุกเล่มเพื่อหาสิ่งที่เกี่ยวข้องตามที่สมศรีบอกนะครับแต่จะส่งหนังสือที่เกี่ยวข้องมาทุกเล่มก็อาจจะวางในหน้าวางในบ้านสมศรีไม่พอจึงถ่ายเอกสารมาเฉพาะหน้าที่สนใจกว่าเอกสารเหล่านี้จะมาถึงสมศรีก็ใช้เวลาเป็นวันก็ พ, พูดง่ายว่าเริ่มหนานขึ้นแล้ว สนุกไปกว่านั้นครับอย่าลืมว่าสมศรีก็พลาดได้บางทีพนัก ง, งานก็ตอบกลับมาว่าไม่เห็นเจออะไรที่เกี่ยวข้องเลยสมศรีจรึงต้องเปลี่ยนคําสั่งแล้วโทรหาผู้ช่วยใหม่หรือบางทีสั่งละเอียดไปได้หนังสือมาไม่กี่เล่มก็ต้องโทรไปสั่งใหม่กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันปวดหัวกว่าสมัยก่อนที่สมศรีมีหนังสือเพียงชั้นเดียวหรือว่าที่เดียวแต่สมศรีนะครับในวันนี้สามารถตอบคาถามได้แทบจะครอบจั ก, กรวาลเลยทีเดียวถ้าคนถามยินดีรอนานหน่อยต้องบอกอย่างนี้ นะฮะสมศรีเริ่มเห็นว่าคําถามบางคําถามเนี่ยมีคนถามซ้ําๆสมศรีจึงแบ่งพนัก ง, งานส่วนหนึ่งให้เตรียมคําตอบสําหรับคําถามเหล่านั้นแล้วส่งรายงานให้เธอทุกเชา้าจะได้ตอบได้เร็วขึ้นทําไปทํามารายงานก็เยอะจนเธอต้องสร้างห้องสมุดสําหรับเก็บรายงานอีกทีบางทีเหนื่อยมากๆนะฮะสมศรีก็อยากกลับไปมีหนังสือน้อยกว่านี้จะได้ไม่ต้องใช้วิธีวุ่นวายขนาดนี้สมศรีเห็น เขาเรยสมสมนึกเนี่ยเพื่อนของสมศรีเนี่ยเห็นสมศรีโด่งดังสามารถตอบคาถามได้มากมายก็อยากจะเรียนแบบมาทํากับบริษัทตัวเองบ้างสมนึกทึกทักเองว่าที่สมศรีตอบคาถามจากหนังสือได้ดีขนาดนี้เพราะว่าสมศรีมีพนัก ง, งานนับพันและโกดังจํานวนมากตามที่หนังสือพิมพ์ชอบลงข่าวบ่อยๆสมนึกจึงเริ่มสร้างโกดังซิปแห่งทั่วประเทศทันทีและคิดว่าจะใช้ขั้นตอนแบบเดียวกันในการโทรแจ้ง ทั้งส0สาขาเพื่อหาหนังสือสมนึกเนี่ยก็ภูมิ อ, อกภูมิใจกับแผนการนีม้มากและคุยไปทั่วว่าบริษัทของเขาจะใช้ระบบโกดังใหญ่เหมือนสมศรีเลยเอาละครับเป็นยังไงเรื่องราวยังไม่จบเท่านี้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเบลกต่อไปจะมาเล่าให้ฟังว่าสมนึกจะมีชะตากรรมเช่นไรครับ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 มจงในความฝันคือทุกอย่างเหมือนใจต้องการเธอเป็นนี้ทางที่ฉันอ่านก็นลับตาและนอนฝันเธอคือหัวใจไม่ว่าใครไม่อาจเทียนเทียบเท่าเธอจึงโชคดีที่เจอที่ตกลง งคงจะมีเพียงเธอทำให้โลกเงินหยุดหมุนเพียงเธอสมตาฉันคงจะมีเพียงเธอที่หยุดหั่วใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอ ที่ต้องการฉันเจอคทำ ท, ทุกทางด้วยวิญญและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียว คงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นหยุดหมุนเพียงเธอสท่า้ตาฉันนคงจะมีเพียงเธอที่หยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ต ร, นตรงที่เธอ ทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอเองเธอที่รฉันขอภาวนาภาวนาฟังเส้ในใยนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสักทางใดเกิดเชิไหนฉันมีเธอ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 เตรียมตีพิมพ์ดารี่ของตัวเองในเดือนหน้านะครับอดีตพนักงานหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะฮะที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดสวีเดนนะฮะเตรียมตีพิมพ์ดารี่ของตัวเองในวันที่17บกันยายนซึ่งจะตีพิมพ์โดยสนักพิมพ์แม็กซ์มิ a เลียนนะฮะซึ่งทางสนักพิมพ์เนี่ยคเขาจะเน้นพิมพ์เรื่องของสโนเดนตอนที่อยู่ในเอ็นนาซ่านะฮะ ซึ่งเป็นหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและก็เน้นเกี่ยวกับเครื่องมือเฝ้าระวังขนาดใหญ่ที่เขาช่วยกันสร้างที่นั่นนะฮะพร้อมทั้งพูดถึงความขัดแย้งภายในของเขาที่ทำให้เขาต้องออกมาเปิดเผยแผนของ NSA กับนักข่าวในเวลานั้นนะฮะตอนนั้นในบทความมากมายจากข้อมูลของ Snowden ที่ตีพิมพ์ใน The Guardian และก็ The Washington Post นะฮะทำให้หนักข่าวที่ทำเรื่องนี้ได้รับรางวัลพ r ีเชอร์เพื่อบริการสธราธารณะและเปิดเผยของสโนเดนการเปิดเผยสโนเดนเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงกับการปิดตัวของโปรแกรม NSA เลยทีเดียวนะฮะงานนั้นร่วมกันนี้นะฮะการประกาศตีพิมพ์บันทึกประจำวันของสโนเดนเนี่ยยังได้ปล่อยสปอตวิดีโอไปอยังบัญชี Twitter ร์ส่วนตัวของเขา ซึ่งเขาได้ขอผู้ติดตามกว่า4ล้านคนเนี่ยแสดงความเสียใจต่อการทำงานของรัฐบาลสหรัฐอันนี้เขาเรียกว่าลุยกันตรงๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะปัจจุบันนะครับซนูเดนเนี่ยอาศัยอยู่ในมอสโกรประเทศรัเสเซียหลังจากหนีไปที่นั่นเพราะว่าเปิดเผยข้อมูลลับสุดยอดแก่นักข่าวในฮ่องกงเมื่อปี2พศ2555ก็กี่ปีแล้วละ่ะ ก็นานเนอะหลายปีแล้ว 55-52 ก็7ปีนะฮะแล้วก็รัเสเซียอนุ ญ, ญาตไทยรีพัยเนะี่ยก็เป็นปกติฮะอเมริกากับรัเสเซียเขาก็เป็นคู่แข่งกันมาตลอดการนะฮะรวมถึงจีนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งหนึ่งไม่ชอบอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องยอมรับนะฮะปัจจุบันเขามีวีซ่าที่อนุ ญ, ญาตให้เข้าอยู่ในประเทศจนถึงปี2020และสหรัฐได้แสดงความต้องการอย่างต่อเนื่อง ที่จะให้รัเสเซียเนี่ยส่งตัวผู้รายข้ามแดนซึ่งเขาจะต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะแถมียกให้อยู่ถึงปี2020ก็นานทีเดียวนะฮะแต่เชื่อถะฮะถ้ารัเสเซียไม่เหมือนกับเหมือนหมดระยะเวลา2020เขาก็ยังต้องจะต่ออายุให้กับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ <S <S <S เอ n o โนสโนเดนนะครับเรื่องราวตรงนี้เป็นยังไงก็คือตัวคนเนี้ย นายคนนี้ตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวที่มีอยู่เมื่ออายุ29ปีและยินดีที่จะสละอน า, าคนทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศของเขาซึ่งเขาแสดงความกล้าหาญอย่างมากในการทำเช่นนั้นซึ่งหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นหนังสือที่น่าอา่าทีเดียวสำหรับคนทั้งโลกเพราะว่านานๆนานๆจะมีคนกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้ออกมานะครับ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 ก่อนความฝันจะสดใสฟ้ามืดมนฝนหล่นเป็นสายใจก็ราวก็รา้าว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 เตรียมตีพิมพ์ดอารี่ของตัวเองในเดือนหน้านะครับอดีตพนักงานหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะฮะที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดสวีเดนนะฮะเตรียมตีพิมพ์ดอารี่ของตัวเองในวันที่17บกันยายนซึ่งจะตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แม็กซ์มิ a เลียนนะฮะซึ่งทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาเาจะเน้นพิมพ์เรื่องของสโนเดนตอนที่อยู่ใน NASA นะฮะ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 จนถึงปี2020และสหรัฐได้แสดงความต้องการอย่างต่อเนื่องที่จะให้รัเสเซียเนี่ยส่งตัวผู้ลายข้ามแดนซึ่งเขาจะต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะแถมยกงให้อยู่ถึงปี2020ก็นานทีเดียวนะฮะแต่เชื่อถะฮะถ้ารัเสเซียไม่เหมือนกับเหมือนหมดระยะเวลา2020เขาก็ยังต้องจะต่ออายุให้กับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ e t h n o s n o น e นะครับเรื่องราวตรงนี้เป็นยังไงก็คือตัวคนนี้นายคนนี้ตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวที่มีอยู่เมื่ออายุ29ปีและยินดีที่จะสละอาดาคตทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศของเขาซึ่งเขาแสดงความกล้าหาญอย่างมากในการทำเช่นนั้นซึ่งหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นหนังสือที่น่าอาทีเดียวสำหรับคนทั้งโลกเพราะว่านานๆนานๆจะมีคนกล้าที่จะทาอะไรแบบนี้ออกมานะครับ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 คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์ ม, 5, มาที่เรื่องของเฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊ระดมทุนสร้างเครื่องมือในให้คนพิมพ์ข้อความด้วยความคิดโอ้โห อะไรจะอลังการงานสร้างขนาดนั้นนะฮะเมื่อ Facebook ประกาศความก้าวหน้าที่สร้าง Device สํำหรับใช้สื่อสารกับสมองและแปลงออกเป็นตัวอักษรได้นะครับโดยให้ทุนการศึกษากับ Machine Learning ที่ใช้ a l o i t h m เรียนรู้พฤติกรรมของบรรทุ์นะฮะก็ปัจจุบันก็มีคนเคยบอกว่า แล้วหลายคนก็ลองลองดูซึ่งจริงบางไม่จริงบ้างหรือเป็นเพราะบังเอิญนะแต่พี่มิงไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเาที่บอกว่าพูดกับมือถือทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยว facebook ได้ยินแล้ว facebook จะนำเสนอเรื่องราวหล่อนั้นมาให้เราได้ได้อ่านกันบนหน้าเฟซนะฮะเข้าใจว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงหรอกแต่พี่มิงเข้าใจว่ามันเป็น เรื่องของการที่เราคลิกเข้าไปดูหรือหยุดดูตรงไหนนานๆตรงนั้นเขาก็จะนำเสนอเรื่องนั้นให้เรานะฮะอ่ะกลับมาที่ข่าวนี้ดีกว่านะครับเขาบอกว่า Facebook คาดว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันจะต้องประมวลผลได้100คําอคำต่อนอาทีและมันจะไม่ไปลุกลานชีวิตประจำวันของเราจนเกินไปแต่โดยขั้นแรกนะครับหวังจะช่วยผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้นิ้วพิมพ์ได้นะอาจจะเป็นแบบมือไม่ไม่เหมือนแขนหกัก หรือว่าเป็นอมาพฤกเอามาพลาดอะไรแบบเนี้นะฮะจากนั้นนะฮะเฟซบุ๊กก็อาจจะขยายไปสู่ผู้ใช้งานทั่วไปอันนี้ถือเป็นการตอกย้าสัญชาตญาณของมนุษย์ว่าการพูดหรือการพิมพ์ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สามารถสื่อสารออกไปได้นะครับหากเทคโนโลยีจะมีส่วนใช้ให้ช่วยให้มนุษย์สื่อสารออกมาได้ตรงและขจัดข้อจํากัดบางอย่างออกไปก็ถือว่ามาถูกทางทีเดียวนะครับ ปัจจุบันผู้ป่วยที่สูญเสียการพูดเนื่องจอากอัมาพาตนะฮะถูกจำกัดการสะกดคำและก็สื่อสารออกมาช้า ม, มากซึ่งสิ่งเนี้ย a c e b o o กก็เลยเอามาเป็นไอเดียในการพัฒนาการใช้การขึ้นไหวของดวงตาหรือว่ากล้ามเนื้อกระตุกเพื่อควบคุมอินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้ตัว m a c h i n e l e a r n i n g หรือว่า AI เนี่ยแปลออกมาเป็นคาพูดในขณะเดียวกันนะครับบริษัทนิวลาลินนะฮะของ Elon นมันะฮะ ที่เจ้าของเทส l าก็ได้ยื่นข้ออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของอเมริกาเพื่อเริ่มทดสอบอุปกรณ์แฮ็กสมองของมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันซึ่งเราคงจะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่านี้ในเร็ววันนี้นะครับก็เป็นความก้าวหน้าที่บางทีก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะถ้ามันจะมาเก็บมาเรียนรู้ชีวิตของเราหรือสมองของเราซะ จ, จนหมดแลวต่อไปเนี่ยมันจะเหมือนในหนังฝรั่งสมัยกาะหรือว่า น, นาที่หุ่นยนต์หรือว่า A จะเริ่มเข้ามา ยึดโลกของเราอันนี้ก็น่ากลวเหมือนกันก็เอาเป็นว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็คงจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆและเก่งกว่าเขาเรียกว่าขุ่นยนต์หรือว่าเอไอได้นั่นเองครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP ร์ไจำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏบิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 ทใเสียจข็โทษที่ไม่ได้เป็นคนอย่างที่เธอหวังก็โทษที่ฉันไม่เอาไหนไม่เคยทำอะไรให้เธอภูมิใจเลยสักครั้งแต่ถ้าปิดประตูไม่อยอมรับรู้ในปัญหาที่ฉันเจอ คนแค่ไหนต้องปวดแค่ไหนเธอจะเห็นมีไหมสักวันที่เธอจะเข้าใจมีไหมสักวันที่เธอจะยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นมันทรมานสักแค่ไหนเธอจะควรเข้าใจที่สุด ไม่เข้าใจอะไรในตัวฉันเลยฉันพยายามมาทีไปให้ความในใจสะท้อนแววตาให้เธอรู้ มีใคร เ, คเข้ามาในโลกไปเดียวกันกับฉันเพราะเธอปิดประตูไม่ยอมรับรู้ในปัญหาที่ฉันเจอต้องทนแค่ไหนต้องปวดแค่ไหนเธอจะเห็นมีไหมสักวันที่เธอจะเข้าใจ มีไหมสักวันที่เธอจะยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นมันทอรมานสักแค่ไหนเธอจะควเข้าใจที่สุดกลับไม่เข้าใจอะไรในตัวฉันเลย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 เดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไฟให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรีเ m 8 9 5 Make ็ A มแปดมกรีข่าวว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์อัจฉริยะด้วยการกระพริบตาสองครั้งสั่งซูมเข้าซูมออกได้นะครับ ในหนังวิทยาศาสตร์หรือไซไฟบางเรื่องเนี่ยบางคนน่าจะเคยเห็นฉากที่ตัวเอกซูมภาพผ่านเลนส์อัจฉริยะหรือว่าไบโอเมตริกด้วยดวงตาจากกลดูเหมือนเราจะได้ย่นชมเทคโนโลยีล้ำลัางเร็วๆนี้ในชีวิตประจำวันแต่เมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่มิงไปที่ NCB เดี๋ยวนี้ NCB เขาก็ไม่ได้สแกนนิ้วนะครเขาใช้สแกนม่านตานะเป็นความไฮเทคที่ลงทุดูเก๋ไก่แล้วก็สร้างความปลอดภัยทีเดียวนะครับ ก่อนหน้านู้นนะครับเคยมีการพัฒนาคอนแทคเลนส์ที่สามารถซูมภาพได้ 2.8 เท่าโดยการขยิบตาล่าสุดนะครับมีรายงานเผยว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซันดิเอโกก็ได้ประสบความสำเร็จในการคิดค้นคอนแทคเลนชนิดหนึ่งที่สามารถออกคำสั่งให้ซูมเข้าซูมออกโดยการกระพริบตา2ครั้งเท่านั้นนะฮะโอ้โหจะเป็นยังไงเขาบอกว่าไอตัวคอนแทคเลนตัวนี้ทาจากแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถรับสัญญาณ EOG นะฮะอ uh, ิเล็กทรอนิกเอ่ออิเล็กโทรโคลโลกราฟนะฮะชื่อเต็ม่างนี้หรือว่าสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของดวงตาเราได้ซึ่งในที่นี้ก็คือการกัะพริบตาสองครั้งนะฮะหรือการกลอกลูกตาไปมานั่นเองตัวเลนจะทำการซูมตามลักษณะการเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับวนดาทีนนักวิทยาศาสตร์จากบาวจไลคลิฟอร์เนียเซเดโก้น ก็กล่าวว่าดวงตางเราแม้จะมองไม่เห็นแล้วแต่ก็ยังสามารถขยับดวงตาหรือสร้างอิเล็กทรอนิกส์ออกคูลากราฟิกได้จึงมีอีกความเป็นไปได้ก็คือการสร้างคอนแทคเลนให้เป็นอวัยวะเทียมสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาหรือใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์โดรนจากระยะไกลได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการนะครับที่โลกเราก็เริ่มหันมาพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราคงจะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะฮะอ่ะมาปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆนะฮะที่พี่มิงเขียนเอาไว้ในเพจของพี่มิงเองนะฮะมิงค o มทูเนะฮะเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเราก็อยากเป็นคนเก่งบางคนบอกว่าการจะเก่งได้นะั้นมันยาก แต่สำหรับพี่มิงแล้วนะครับการรักษาความเก่งให้คงทนนั้นยากกว่าหลายเท่าความจริงที่เราควรจําไว้ใส่สมองก็คือโลกนี้ไม่มีคนไหนเก่งไปตลอดกาลตลอดกาลนะฮะวันนี้คุณอาจจะเก่งมากแต่พรุ่งนี้อาจจะมีคนที่เก่งกว่าคุณเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ภูมิใจว่าตนเองเก่งจงจาเอาไว้เลยว่าความโง่กําลังคลืบคลานมาใกล้ตัวเราตลอดเวลาแค่เผลอไม่พัฒนาตนชราใจเป็นนิดเดียว ความไหายาเนะที่เกิดจากความไม่รู้ก็จะวิ่งชนตัวเราทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดสําหรับคนทั่วๆไปนะครับอ่ะเวลาของคืนนีหมดลงแล้วนะครับเอาไว้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งแบบนี้ก็ถือเป็นรายการแรกของสถานีเลยก็ว่าได้นะครับพรุ่งนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจอีกหลายๆเรื่องที่จะนํามาฝากกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเช่นเคยพร้อมเพรงพเพราะนะฮะ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 ตรงนี้ไงเห็นฉันหรือเปล่าอยู่ในทุกเรื่องราวอพล้อมเธอไว้ด้วยร่างอย่างนี้คือเงาจางจากจใครคนหนึ่งที่หวัง เป็นคนเธอมาทั่วใจ อยู่ในทุกเรื่องราวอบลอมเธอไว้ด้วยร้างอย่างนี้คือเงาถึงจากใครคนหนึ่งที่หวังดีแต่ต้งองทำยังไงเธอถึงจะมองเห็ บอกเธอว่าความรักฉันเป็นของเธอหมดหัวใจ